ตามที่ทรงแสดงไว้ไม่บุกพร่องทรงยืนยันผลไว้ว่าผู้ปฏิบัติจะได้บรรลุมรรคผลในทางศาสนาไม่เกินเจชาติโดยรับรองผลไว้ว่าไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนหรือเจปีแต่ไม่เกินเจชาติการรับรองนั้นเป็นการรับรองอย่างมีเงื่อนไขคือหมายความว่าผู้ปฏิบัติ จะต้องประกอบด้วยหลักธรรมะเป็นพื้นใจอยู่ประจำสามประการด้วยกันประการแรกทรงใช้คำว่าอาตาปีแปลว่าความเพียรที่เผากิเลสให้เร่าร้อนการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลในชีวิตของบุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นของการครองเรือนหรือชั้นของการยกระดับจิตใจของตนก็ตาม ธรรมะที่ขาดไม่ได้และถือว่าเป็นอุปการธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของความเปลี่ยนเพราะไม่มีอำนาจการดนบันดาลตามที่เข้าใจและเชื่อถือกันแต่ที่จริงแล้วผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเกิดจากความเพียรพยายามของคนด้วยกันทั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้นามว่าเป็นมหาบุรุษในโลก ทรงสร้างสมอบรมบา ร, รมีมาเป็นอันมากด้วยความเพียรพยายามของพระองค์เองและแม้แต่การจัดสรุก็เกิดขึ้นด้วยความเพียรพยายามของพระองค์มีการลองผิดลองถูกกันอยู่เป็นเวลานานทั้งนี้เพราะว่าหนทางที่ถูกต้องนั้นไม่มีการค้นพบและไม่มีการแสดงเอาไว้แต่ด้วยความเพียรพยายาม ยังเชื่อมั่นในพระองค์ทำให้ได้จะสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ในที่สุดเพระาะฉะนัน้นสาวกของพระองค์หรือผู้ปฏิญาณตนนับถือพระองค์ก็ต้องดำเนินไปบนเส้นทางสายเดียวกันคือต้องใช้ความเพียรพยายามเพื่อบรรลุผลที่ตนต้องการแต่เรื่องของจิตใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะจิตใจตามปกติแล้วมักจะไหลไปในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นพื้นเนื่องจากจิตใจเกิดขึ้นดำรงอยู่เพราะอำนาจแห่งอารมณ์เหล่านี้การที่จะยกระดับจิตของตนให้หลุดพ้นจากอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นจึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงรับรองผลแห่งการประพฤติปฏิบัติที่ต้องอาศัยความเพียรพยายามไว้ว่าผู้ใดาสามารถระมัดระวังจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวมีถ้ำคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยจิตใจของบุคคล น, นั้นจะหลุดพ้นจากปวงแห่งมารดังนี้ ซึ่งเป็นเครื่องเชีใย้เห็นว่าจิตใจจะหลุดพ้นจากปวงแห่งมารได้นั้นจะต้องอาศัยความความเพียรพยายามในด้านการสำรวมระวังกิตใจเป็นต้นไปดังนั้นเมื่อนำความเพียรมาใช้ในขั้นที่ทรงยืนยันผลเช่นนี้แทนที่จะใช้คำธรรมดาทั่วไปก็ทรงใช้คำว่าอาตาปี ที่แปลว่าความเพียนเผากิเลสให้ ร, ร่ารรอนข้อนี้พึงสังเกตว่าในกรณีที่บุคคลตั้งความปรารถนาที่จะบำเพ็ญเพียนในด้านจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทวนกระแสของกิเลสขึ้นไปนั้นมักจะมีสิ่งหนึ่งคอยกระสิบใจอยู่เสมอที่ทรงใช้คำว่าชับปา คือกิเลสผู้ประซิบพวกกิเลสเหล่านี้จะปรากฏตัวขึ้นในลักษณะที่หวังดีต่อบุคคลทั้งหลายข้อ น, นี้เพิ่งเห็นตัวอย่างกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นซิบใจเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเมื่อตัดสินพระทัยว่าจะเสร็จจะเสด็จออกสู่มหาพิเนสกรมคือเสด็จออกบวชพวกเหล่านี้จะมาปรากฏตัวขึ้นในลักษณะผู้หวังดี บอกว่าสิท ธ, ธะท่านอย่าออกบวชเลยเพราะอีกเจ็ดวันท่านจะได้เป็นพระเจ้าสกภัทต์แล้วนี่เป็นการแสดงว่าจะมีเยื่อนล่อให้จิตใจลุ่มหลงอยู่ตลอดถ้าหากว่าบุคคลมีความเพียรพยายามหย่อนแล้วโอกาสที่จะเอาชนะอารมณ์เหล่านั้นจึงทาได้ยากพระผูมีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนให้มีความเพียรในลักษณะที่เผากิเลสให้รอน คือสามารถทำลายกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคใจขัดขวางใจให้ออกไปให้ได้ในชั้นความเพียรพยายามทางจิตนั้นเนื่องจากได้ผ่านพ้นชั้นศีลมาแล้วความเพียรที่เป็นเงื่อนต่ออันสำคัญยิ่งก็คือความเพียรพยายามในการระมัดระวังไม่ให้บาปไม่ให้กุศลบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตน เพราะรดพระท้าหากว่าจิตใจมีบาบมีอกุศลเพิ่มขึ้นจะทำให้คุณภาพของจิตนั้นตกต่ำลงไปโอกาสที่จะน้มน้อมไปสู่ความสงบจึงทำได้ยากหากจะเปรียบจิตใจของบุคคลเหมือนกระแสะน้ำแล้วก็จะมีน้ำไหลเข้าอยู่สองชนิดคือน้ำที่ขุนกับน้ำที่ใส น้ำที่คุณนั้นเปรียบเหมือนกับบาปอากุศลและอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆน้ำที่ใสก็เปรียบเหมือนบุญเหมือนกุศลและคุณธรรมความดีต่างๆปัญหาสําคัญอยู่ที่ว่าน้ําชนิดไหนไหลเข้าไปมากจะทําให้น้ําในสระนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจของน้ําที่ไหลเข้าไปต า, ากว่าน้ําขุณมากไหลก็ไปมากน้ําในสระก็จะคุณ น้ำสาสไหลเข้าไปมากน้ำในสระก็จะใสจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าปล่อยให้บา ป, ปล่อยให้อกุศลไหลเข้าไปสู่จิตมากในที่สุดจิตใจก็จะคูณข้นไปด้วยบาปด้วยอกุศลต่างๆแต่ถ้าปล่อยให้บุญให้กุศลอยไหลเข้าไปจิตใจก็จะผ่องแผ้วมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ตามสมควรแก่ชั้นนั้น ในชั้นของการสำรวมระวังจึงทรงเน้นไว้เป็นพิเศษข้อนี้สังเกตว่าตามปกติแล้วโลกของเรานั้นเป็นโลกแห่งสัมผัสสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยจิตใจคนมันก็ขึ้นอยู่กับสัมผัสคือการที่ตาเห็นรูปผูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นริมรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วใจนำเรื่องเหล่านั้นมาตรึกนึก อาการที่ใจจะจกนึกไปอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตใจได้รับอะไรเอาไว้เพราะจริงที่นํามาจกนึกต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในจิตใจแต่ถ้าหากว่าบุคคลมีการสํารวมระวังปิดกั้นกระแสะแห่งแห่งอกุศลไม่ให้เข้าไปสู่จิตใจในขณะเดียวกันก็น้อมนําเอาบุญอกุศลเข้าไปไว้ในจิตใจเวลาจิตไปึกนึก ก็จะตรึกนึกในเรื่องที่เป็นกุศลจัดเป็นกลุ่มของกุศลและวิตกคือตรึกนึกไปด้วยอำนาจของปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณามองเห็นโทษของกามคุณทั้งหลายที่บุคคลสยบติดมัวมอลุ่มหลงอยู่มองเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทที่แผลดเผาจิตใจของตนเองในร่าร้อนถ้าหากว่า ประพฤติกระทำไปตามอำนาจของกิเลสเหล่านั้นก็จะมีผลออกมาเป็นการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนพิจนามองเห็นโทษของความไม่เข้าใจปัญหาต่างๆจนหลงทิศทางในการประพฤติปฏิบัติเช่นไม่ยอมรับว่าบุญเป็นบุญบาปเป็นบาปเป็นต้นท่านผู้ สั่งสมบุญกุศลให้เพิ่มพูนไว้ภายในใจก็สามารถจำแนกได้แยกแยะได้แล้วก็ขจัดสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลออกไปได้ความเพียรพยายามในชั้นของการสำรวมระวังนี้ถ้าพูดถึงชั้นของการปฏิบัติจริงแล้วก็จะลำบากอยู่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าใจของบุคคลเสพคุณกับสิ่งเหล่านั้น คือยินดีพอใจในรูปเสียงเป็นต้นดังที่กลาบมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไปพบกับรูปกับเสียงที่ตนเก็บไว้ในฐานะน่าใครน่าพอใจก็อดที่จะอยากดูอยากฟังอยากคลิมอยากถูกต้องอยากดูไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเน้นในชั้นของการประพฤติปฏิบัติว่าบุคคลจะต้องปลูกฝังความพอใจ จะถามว่าปลูกฝังความพอใจในเรื่องอะไรเรตอบว่าปลูกฝังความพอใจในการที่จะละส่วนที่เป็นบาปและปลูกฝังความพอใจในการที่จะสร้างส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นแต่วความพอใจจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยการใช้ปัญญาพินิพิจารณามองให้เห็นโทษส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศล เป็นกิเลสเป็นอุปสรรคแห่งกิจใจทั้งหลายการจะเห็นโทษได้ก็ต้องอาศัยการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเข้าไปเทียบเคียงอะไรก็ตามถ้าบุคคลพิจารณาจนเห็นโทษได้แล้วจะต้องเลิกละไม่ประพฤติไม่กระทำสิ่งเหล่านั้นแท้ที่จริงแล้วชั้นของการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งทั้งหลายนั้นบุคคลก็ใช้กันอยู่แล้ว ในชีวิตประจำวันแต่บางครั้งบางโอกาสปริมาณของเหตุผลที่ใช้ไปน้อยจึงไม่สามารถที่จะเลิกละสิ่งซึ่งตนก็รู้ดีว่าไม่ดีเป็นโทษได้อย่างเช่นนักเลงดื่มสุรานักเลงเล่นการพนันเป็นต้นบางโอกาสที่เขาประสบความพ่ายแพ้ประสบการคุกคามจากพิษสุราเรือรัง เขาก็อาจจะพิจารณาเห็นโทษได้แต่ว่าในาขณะเดียวกันก็ไม่อาจทิจร ะ, ะได้ถามว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นตอบว่าเพราะโทษที่เขาเห็นนั้นยังไม่ประจักษ์ชัดเจนพอและอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าผลความดีที่เกิดขึ้นจากความสงบความสะอาดทางด้านจิตใจที่จะเกิดขึ้นด้วยความเพียรพยายามของบุคคลแต่ละคนนั้น เขายัางไม่ได้สัมผัสเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องเพียรพยายามสัมผัสผลแห่งกุศลธรรมให้ได้อย่างที่เคยกล่าวมาในชั้นของนิพพานในชีวิตประจำวันว่านิพพานประเภทที่เรียกว่าสันทิติกะนิพพานนั้นคือนิพพานที่บุคคลจะพึงเห็นประจากชัดกันในขณะนั้นๆเช่ น, น, นเกิดความโกรธมองเห็นโทษของความโกรธ และมองเห็นผลของความไม่โกรธได้แล้วก็ละความโกรธบุคคลก็จะได้สัมผัสความสงบความเยือกเย็นความสว่างแห่งจิตใจที่เกิดขึ้นเพราะจิตไม่มีความโกรธเข้าครอบงำหรือเกิดความอิชาริษยาขึ้นมองเห็นโทษของความริษยาแล้วละความริษยาก็จะสัมผัสความสงบเย็นที่เกิดขึ้นจากจิตไม่มีริษยาในขณะนั้น เมื่อบุคคลได้สัมผัสผลที่เป็นความสงบเย็นอันเกิดขึ้นจากการละกิเลสได้เช่นนี้ฉันทะคือความพอใจในความสงบเย็นเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นเรื่องความดีจึงทรงสอนให้บุคคลกระทำบ่อยๆและให้ปลูกฝังความพอใจความยินดีในกุศลเหล่านั้นโดยทรงยืนยันว่า เพราะว่าบุญที่บุคคลกระทาไว้บ่อยๆนำความสุขมาให้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องบ่อยๆทีละเล็กทีละน้อยที่บุคคลได้กระทานั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปมากข่าวการสะสมมากข่าวในที่สุดจิตใจของบุคคล น, นั้นก็จะเต็มไปด้วยบุญพระบุญส่ในชั้นของการละก็ทำนองเดียวกันทรงสอนให้มองเห็นโทษ ของบาปของอกุศลเหล่านั้นและให้พยายามทําความพอใจคือปลูกฝังความพอใจที่จะละไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็ตามให้เพียรพยายามละเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจิตมากไปด้วยบาปด้วยอกุศลแล้วจะมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่บุคคลเหล่านั้นประเด็นทั้งสองนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรใช้ความเพียรพยายาม ในส่วนที่เป็นโทษมองให้เห็นเป็นโทษแต่คำว่ามองให้เห็นนั้นจะต้องเป็นการเห็นถึงจิตใจยกตัวอย่างเช่นว่าบุคคลที่เคยดื่มสุรามาแล้วมองเห็นโทษของสุราจนประจักษ์ชัดเลิกดื่มสุราได้ต่อมาแม้จะเห็นสุราหรือเห็นคนดื่มสุราเห็นสุราก็จะมีความรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับมองเห็นยาพิษ เห็นคนดื่มสุราจะรู้สึกสงสารต่อบุคคลเหล่านั้นที่นำสิ่งซึ่งเป็นพิษเป็นอันตรายแก่ตนเข้าไปล้างผลาญตนเองซึ่งคนเรานั้นถ้าหากว่าเป็นศัตรูต่อตอนเองเสแล้วเรื่องจะหวังความสุขความเจริญในชีวิตเป็นไปได้ยากเหลือเกินแต่เป็นเรื่องต้องคิดต้องบินิษพิจารณา จนเกิดความรู้ความเห็นขึ้นในลักษณะดังที่กล่าวแล้วได้ในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะต้องเพียรพยายามจนได้สัมผัสสัมผัสความสงบเย็นที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นให้ได้เสียก่อนแล้วในที่สุดเมื่อสัมผัสส่วนหนึ่งได้จิตใจก็จะมีความพอใจสูงขึ้น มีความฝ่ายขวานว่าคงจะมีความสุขความส ง, งบที่ประนีตขึ้นไปกว่านี้ในข้อต่อไปจึงทรงสอนว่าให้มีความพยายามซึ่งบาลีใช้คำว่าวายามติคือต้องพยายามความพยายามคืออาการที่คืบคลานไปก้าวหน้าไปสามารถที่จะฝ่าขันอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวาง วิถีทางในการประพฤติปฏิบัติของตนทรงอุปมาความเพียรพยายามว่าเหมือนกับผานไถ่ที่มีปกตินําไปข้างหน้าผานไถ่นั้นแม้จะมีอะไรขวางอยู่ก็ตามผานจะต้องตัดสิ่งเหล่านั้นให้ได้ถ้าตัดไม่ได้มันก็ไถานาไม่ได้และโอกาสที่จะหวานที่จะดํานั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเพียรพยายามในชั้นนี้จึงทรงใช้คําว่า วายามติคือจ้องพยายามแน่นอนในชั้นของการพยายามนั้นบางครั้งก็มีการลื่นไหลย้อนกลับมาที่ต้นแล้วก็มีอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นชั้นใดก็ตามชั้นทานชั้นศีลบางโอกาสที่บุคคลมีความพอใจสูงขึ้นปฏิบัติไปได้เป็นปกติโดยสม่ำเสมอสามารถรักษาศีลห้าได้เป็นนิจศีลเป็นต้น แต่เมื่อตกอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งมีปัจจัยอย่างหนึ่งกระตุ้นเร่งร้าให้เกิดเปลี่ยนแปลงหันเหทิศทางในการประพฤติปฏิบัติศีลอาจจะลดน้อยลงบางคราวอาจจะไม่มีศีลก็ได้แต่ถ้าหากว่าบุคคลปลูกฝังความพอใจเพิ่มขึ้นก็ต้องเพียรพยายามกันต่อไปเพิ่มขึ้นไปทีละเล็กละน้อยการปฏิบัติในทางจิตใจจึงเหมือนกับการว่ายน้ําทลนกระแสไป แน่นอนบุคคลที่จะว่ายน้ำทวนกระแสขึ้นไปได้นั้นนอกจากจะรู้ว่าเป้าหมายหลังจากทวนกระแสไปแล้วมีอะไรอยู่บุคคลยังต้องประกอบด้วยกาลังกายกาลังใจที่เข้มแข็งมีความตั้งใจที่ทเด็ดเดียวพร้อมที่จะทวนกระแสขึ้นไปให้ได้และโอกาสหนึ่งเขาก็จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการ ความเพียรพยายามทางจิตมีลักษณะอย่างนี้ต้องทวนกระแสกิเลสขึ้นไปอย่างรุนแรงลักษณะของกิเลสนั้นเป็นอาการไหลบ่ามาท่วมทับเหมือนกับเกิดอุท ก, กภัยทีเดียในกรณีที่เกิดอุทกในกรณีที่เกิดภัยเช่นนี้ขึ้นมานั้นถ้าหากว่าบุคคลขาดความเข้มแข็งแล้วก็อาจจะถูกกระแสน้ําพัดพาไปได้ แต่ถ้ามีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมีความตั้งใจจริงแล้วโอกาสที่จะทำตัวให้รอดพ้นจากอันตรายและทวนกระแสขึ้นไปก็มีได้ข้อนี้ลองสังเกตดูว่าในชั้นของการปฏิบัติไม่ว่าอะไรก็ตามจะต้องมีแรงต้านทานมีกระแสของกิเลสมาขัดขวางอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อจาระเจตนา คือเจตนาในการบริจาคบางเกิดขึ้นนั้นหนึ่งดวงมเทรจิตคือความสนีความขวงความเสียดายในทรัพย์สมบัติก็จะเกิดขึ้นเป็นร้อยเป็นพันครั้งบางครั้งความตั้งใจของบุคคลที่เกิดขึ้นว่าจะบริจาคถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแรงและยอมสยบต่อกระแสของกิเลสบางคนจะ บริจาคไม่ได้เลยในการบริจาคไม่ได้ก็จะมีการพูดจาผัดพรในลักษณะที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเช่นว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายก่อนเป็นต้นหรือว่าค่อยวันหลังเป็นนาทีและในที่สุดก็ทำไม่ได้เลยนี่ไม่ต้องพูดถึงกิเลสที่เข้มแข็งอย่างประเภทของความโลภความโกรธความหลง กิเลสธรรมดาสามัญก็มีแรงประทะมากเหลือเกินถ้าขาดความเข้มแข็งขาดความเพียรพยายามจริงๆแล้วโอกาสที่จะต่อสู้นั้นทำได้ยากแต่เป็นเรื่องที่บุคคลผู้ใช้ความเพียรพยายามสามารถที่จะทวนกระแสของกิเลสเหล่านั้นขึ้นไปได้และความเพียรพยายามนั้นทรงใช้คำอีกคำหนึ่งว่าวิริยังอารัปปิ คือต้องมีการริเริ่มไม่มีการผัดวันประกันพรุ่งไม่มีคำว่ารอก่อนค่อยก่อนประเดี๋ยวก่อนค่อยวันหลังไม่อจ่นจะเห็นได้ว่าลักษณะเหล่านี้จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆภายใน จ, จิตใจไม่ต้องดูอื่นไกลแม้แต่ตั้งใจว่าจะไหว้พระสวดมนต์ก่อนที่จะนอนบางวันมันจะมีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นไม่เป็นไรวันนี้ไม่ต้องสวดเต็มบทก็ได้ว่านามโมสามจบก็ได้ หรือบางวันกิเลสมาแรงเกินไปยกมือไหว้คราวเดียวบางวันก็นอนไปก่อนบอกว่าค่อยไหว้พรุ่งนี้นี่จะเห็นว่ากิเลสเหล่านี้จะแกจะคอยบันทอนแต่จะมาในลักษณะอาลัยอาวรเป็น่วงสุขภาพพรานามัยของบุคคลเหล่านั้นกลัวจะเน็ดจะเหนื่อยเป็นต้นแต่ถ้าอ่อนไว้ไปตามอํานาจของเขาในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้จึงทรงใช้คําว่าอารัต t h ในที่บางแห่งใช้คำว่าอารัทธวิริโยคืออยู่ด้วยการปรารบความเพียรโอกาสอันใดก็ตามที่พอจะทำความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจได้ไม่ต้องไปเลือกสถานที่ไม่ต้องไปเลือกกาลเทศะอะไรอาจจะนั่งมาในรถเมย์รถส่วนตัวก็ได้ถ้าไม่ได้ทำหน้าที่คนขับ ภาพทิศทางต่างๆ ต, ต, ตนก็พบก็เห็นกันอยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่ต้องดูภาพเหล่านั้นพยายามทาจิตใจของตนให้เกิดความสงบแม้แต่ชั่วระยะเวลาหนึ่งถ้าหากก็าําเป็นจะต้องดูสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาก็ดูด้วยอาศัยวิปัสนาปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งเหล่านั้น แม้แต่จะดูมรสพอะไรก็น้อมใจเข้าไปพินิษพิจารณาในลักษณะเช่นนี้พระธรรมดาของบุคคลผู้มีปัญญาแล้วการดูการฟังการเห็นอะไรนั้นไม่สำคัญเท่ากับดูอย่างไรและเห็นอย่างไรพระริยเจ้าในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากที่ท่านปราบรความเพียนมีการกระทาที่สืบต่อกันอยู่เสมอ สิ่งที่ผ่านมาในวิถีชีวิตของท่านถ้าเป็นสามัญชนธรรมดาแล้วก็อาจจะหลงทิศทางได้แต่เนื่องจากท่านมีปัญญาเข้ากำกับในการดำารงชีวิตของท่านอย่างพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นคู่สาวกพิเศษของพระพุทธเจ้านั้นแรงผลักดันที่ท่านที่ให้ท่านออกบวชนั้นเป็นการดูหมอรสด้วยซ้ำไป แต่ว่าดูอย่างมีปัญญาดูแล้วกาห น, นดพินิษพิจารณาว่าประโยชน์จากความสนุกราดเริงโดยการดูมารสนั้นไม่ได้มีอะไรเลยเพราะในที่สุดทั้งผู้ดูและผู้แสดงก็จะต้องทอดทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วก็ต้องประสบความทุกข์ตามสมควรแก่กรรมของตนชีวิตของบุคคลจะจบสิ้นลงเพียงไม่ถึงรอยปีเท่านั้น ดังนั้นจึงได้ตัดสินใจสละทรัพย์สมบัติทั้งมวลออกสแสวงหาโมกขธรรมคือธรรมะที่จะทําจิตใจของตนให้หลุดพ้นจากอานาจของกิเลสทั้งหลายเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกสแสวงหาทางเหล่านั้นก็นี้จะเห็นได้ว่าภาพเหล่านี้ตามปกติแล้วคนไปกําหนดว่าน่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจ แต่สำหรับบุคคลที่อยู่ด้วยการปรารกความเพียรสามารถที่จะใช้ปัญญาพริกแรลงสิ่งเหล่านั้นหยิบฉวยเอาส่วนที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การทำความสงบให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจของตนได้แล้วก็ได้รับประโยชน์จากการพินิจพิจารณาเหล่านั้นและเมื่อบุคคลได้ใช้ความเพียรพยายามปฏิบัติไปอย่างไรแล้ว ผลเกิดขึ้นจะมากหรือจะน้อยก็ตามทรงสอนให้พยายามรักษาคุณภาพจิตส่วนนั้นเอาไว้และในขณะเดียวกันก็คืบคลานประพฤติปฏิบัติต่อไปปลูกฝังความพอใจสูงขึ้นความพยายามมากขึ้นการปรารจกความเพียนที่กระทำไปติดต่ออย่างที่ว่ามาแล้วและเมื่อบุคคลได้ลงมือประพฤติปฏิบัติโดยวิธีนี้ ความเพียร น, นั่นเองจะทาหน้าที่ขจัดแผดเผาสิ่งที่เรียกว่ากิเลสให้บรรเทาปบบางลงไปใจก็จะโน้มน้อมเข้าไปสู่ความส ง, งบรเรื่อยๆปัญญาก็จะเกิดขึ้นมากภายในจิตใจสามารถที่จะสร้างความส ง, งบใช้ปัญญาวิเคราะห์ตัดสินปัญหาต่างๆแยกแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ได้ จนถึงขั้นสุดท้ายมีอุบายวิธีในการที่จะหลีกหนีสิ่งหรืออารมณ์ต่างๆอันเป็นทางเกิดแทงกิเลสแด้ความเสื่อมให้ออกไปน้อมนำจิตใจของตนดำเนินไปสู่วิถีทางที่เย็วเคลื่มนูนความสงบความสะอาดให้เกิดขึ้นภายในจิตใจสูงขึ้นและหลักการที่ชื่อว่าเป็นอาตาปีนั้น ก็คือต้องอาศัยการกระทํางานที่ตั้งใจว่าจะทาให้สำเร็จงานที่จะแทรกซ้อนขึ้นมาก็ต้องทาให้สำเร็จและให้ทําการงานทางจิตหรือทางกายด้วยความเพียรพยายามที่สืบต่อไปในที่สุดกิเลสก็จะถูกแผดเผาไปด้วยไฟคือความเพียรตั้งที่กล่าวแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป